ตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำการปฏิบัติจิตภาวนาในวันนี้นั้นด้วยมีเหตุที่เราทั้งหลายได้เห็นอยู่คือได้มาบำเพ็ญกุศลเกี่ยวเนื่องด้ดย มีบุคคลซึ่งเป็นที่นับถือรู้จักของเราเส้นไปคือนางสุวิมไม่เห็นกันโดยไม่นานเมื่อบางเพนกสศลอยู่ที่นี้หลังจากนั้นได้ยินข่าวเข้าอยู่โรงเพียงวาาป่วยได้ชนนิสิตกลไปการีมพอ ถึงอ น, นิจจ ก, กรรมหรือถึงแก่กรรมหลักทางประพจนศาสตร์ศาสนาของเราเราถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราจะนำเอาเรื่องนี้มาภาวนาก็ได้เรียกวอามรณานุสติเปลรือถึงความตาย ความตายนี่มันก็เกี่ยวเนื่องโดยลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เราทั้งหลายได้พื่อเรณาแลวได้ภาวนามาเป็นประจำชีวิตของเรานั้นเป็นของชั่วคราวจริงๆไม่ใช่เป็นของยืนยาวอะไรนักหนาผู้เพื่อเจรณามารณานุสตตจะเห็น ได้ชัดละความตายของเราทุกลมหายใจเข้าออกแต่คนไม่มีสติไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมแล้วย่อไม่เห็นดังกล่าวมันนี่เห็นหลาชีวิตตัวเองคงจะอยู่ไปนานคงจะแสดงหาความสุขด้วยวัตถุด้วยอันนีได้นานๆที่ตนชอบใจและพอใจ การคิดอย่างแน่นอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านว่าตั้งอยู่ในความประมาทบุคคลผู้ไม่ประมาทแล้วจะต้องเป็นผู้มีสติและลืกถึงชีวิตของตนเองว่าน้อยนิดเดียวแล้วเรียกทำกิจที่ควรทำเพราะความตายนั้นไม่มีแต่เฉพาะคุณสุริมนเท่านั้น ความตายนั้นมีอยู่ประจำทุกทุกคนเกิดได้ในทุกทุกคนและไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีในนิตเครื่องหมายด้วยเพราะฉะนั้นที่เพิ่งของเราที่เราเพิ่งอยู่ในเวลานี้ที่เราได้ความสุขเพราะปัจจัยสีเพราะอาหารเพราะเครื่องใช้เครื่องสอยอุปโภคบริโภค ที่เราสั่งสมอบรมแสว ง, งหามาไม่ให้ขาดตกบกพร่องไม่ใช่สอยตลอดเวลาถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะป้องกันที่จะไปจัดมรณะภัยนี้ให้หมดสิ้นไปได้ถึงแม้ว่าหมอพยายามที่จะค้นคว้าหายา มารักษ า, าเพื่อรักษาชีวิต้าอย่ได้ น, น, นานๆและอยู่ได้ตามความต้องการก็แสวงหามายู่ตลอดไม่ทราบกี่หมื่นปีไม่ทราบ่า น, นานเท่าไร่แล้วไม่มีเบื้องต้นว่าการแสวงหาความที่ให้มีอายุยืนพ้นจากการมารณะภัยนั้นทุกชีวิต ที่เกิดมาล้วนแต่แสดงหาต้องการใอายอุตัวเองอยู่ยืนายาวยาวนานทั้งนั้นทั้งโดยหลักวิชาการพวกมีความรู้สูงๆตามวิทยาแบบใหม่ๆถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถเอาชนะมัจจุมานคือความตายได้ยังมีอยู่เสมอต้นเสมอปลาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์ผู้มียานรู้เห็นเป็นพระอรหันต์ได้ตรัสรู้เองชอบแล้วพระองค์ทรงตรัสอริยสัจจะทำทั้งสี่ให้เราทั้งหลายได้ศึกษาเป็นสัจธรรมที่จริงแท้อย่างประเสริฐ และมั่นคงรู้เห็นได้ทั้งปัญญาหรือสติปัญญาของเราธรรมดาไม่จนเป็นจะต้องมีภูมิปัญญาสูงถึงพระระยะแล้วจึงมาเห็นโดยปกติแล้วถ้าเราไม่มัวเมาในทางอื่นจนเกินไป ถ้าเราหาโอกาสในกิจอันใดที่ควาสา ม, มารถจ่รู้ได้เห็นได้ให้เกิดความสนับสนุนใจแล้วบำรุงความไม่ประมาทในกิจอันใดที่ควรทำเราก็จะได้เร่เร่งบาเพ็ญทำให้สำเร็จประโยชน์เพราะมรณะภัยที่เกิดขึ้น ตัวของเขาเองก็ไม่ต้องการพี่น้องก็ไม่ต้องการใครๆก็ไม่ต้องการแต่มันก็เป็นธรรมดาเมื่อกรำมาถึงแล้วจะอยู่ไม่ได้การมรณะภัยนั้นมรณะภัยด้วยเหตุหลายอย่างด้วยการสิ้นอายุอด้วยการสิ้นกรรมเด้วย การที่จะมาถึงถึงมรณะภัยด้วยวิธีใดๆก็ตามว่าชื่อว่ามรณะชื่อว่าเป็นภัยควรเอาใจใส่นำมาภาวนาพิจรารณาให้เกิดประโยชน์การมรณะภัย สิ่งที่เราหนับถือรักชอบใจจากไปก็ย่อมเป็นทุกข์สำหรับคนทั้งหลายผู้มีอินทรีย์อ่อนผู้มีอินทรีย์ไในจิตใจยังไม่แก่กล้าเวลาผู้ได้อบรมจิตใจจะมีอินทรีย์อันโถงใสแก่กล้าแล้วไม่สามารถจ ะ, จะครอบงำจิตใจได้เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีอินทรีย์อย่างอ่อนจึงมี ทุกมีความเศร้าสศกที่องค์สมเด็จพระสมมาสัมปเตจ้าเมื่อพระองค์ทรงสแสดงถึงการเวิทยโยคของบุคคลในสมัยข่านั้นแล้วพระองค์ทรงตรัสว่าปิยตอชยเตโสโกปิยตอชายาเตพยังปิยตอวิปภมุทธัสสนติโสโกกุตโตพยังโดยทาสิจายยอดนี้ มีใจความที่นั้นมาศึกษารประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจโดยย่อๆว่าความโศกนั้นมาจากความรักภัทยทางหลายก็มาจากความรักและความโศกนั่นเองถ้าความรักไม่มีในจิตใจดูใดแต่ความโศกก็ไม่มี แล้วภัยจะมีมาแต่ไหนเพราะฉะนั้นมูลเหตุที่เกิดความโศกก็คือความนับถือรักใครชอบใจกันนี่เองสิ่งไหนที่เราไม่เกี่ยวข้องเราไม่รู้จักเราไม่รักใครกันความโศกในจิตใจดวงนั้นก็ไม่มีเช่นตัวอย่าง เหมือนกับประเทศอื่นๆเกิดอุบัติเหตุเื่องวาจะภัยหรื อ, อเกิดแผ่นดินไหวตายหรือรกรากกข่าวฟันเบียดเดียนกันพอได้ยินข่าวแล้วก็เพียงแต่นึกบางทีก็เศร้าใจเล็กน้อยตามธรรมดาของบุคคลบางคนก็ได้ยินแล้วเฉยๆ แต่ถ้าหากบุคคลของเราที่เกี่ยวข้องไปอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นด้วยจากคนหนึ่งพี่ของเราญาติของเราเรือน้องของเราหรือบิดามารดาของเราหรือสามีภรรยาของเราหรือแม้แต่เพื่อนของเราไปอยู่ในเ ห, เหตุการณ์อย่างนั้นไปตายอยู่ในเช่นนั้นความสุขความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นทันที เพราะบุคคลผู้นั้นเคยมีบุญคุณอุปการะ เ, าเคยรู้จักกันเคยนับถือ ก, กันเป็นคนดีเพราะฉะนั้นภาสิทธิองค์สมเด็จพระธรรมสั ม, มสพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสขอ้อนี้ก็เป็นสัจธรรมเป็นความจริงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะนเจราพิเิธพิจารณาแล้ว เมื่อความรักมีแล้วความเศร้าโศกก็ย่อมมีเมื่อความเศร้าโศกมีแล้วภัยก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายเป็นผู้ที่จะต้องการออกจากทุกภัยในวัตฏสงสารนะจงไปนึกพิจารณาเรื่องความรักให้มากอย่าเปหลงไหลยินดีกับความรักและเกลียดชังสิ่งที่เราไม่รักสิ่งที่เราคิดหม่อชอบ เพราะฉะนั้นความลอกที่สัตว์ทั้งหลายไม่สามารถจะถอนออกได้นั่นเพราะความรับความปรานาะความพอใจนี่เองสามารถจะสร้างอคติมูลขึ้นได้จากความรับสร้างความชั่วได้เพราะความรับคข่พอใจจะทำให้เราเตกทุกข์ได้ ย, ยากได้เวนได้ภยัยตกอบายนรกต่างๆเพราะเหตุอันนี้เอง มาจากความรักทางนั้นไม่ใช่มาจากความเอ่นความเกลียดชังทั้งหลายก็มาจากความรักเช่นเดียวกันเมื่อความรักไม่สมหวังแล้วเกิดความชังขึ้นมาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเรียกว่าขัดพรมประโยชน์เกิดข้าวฟันลันแทงกันได้ิดเกิดประหลาดประหารทะเลาะวิวาทกันได้สร้างกรรมอกุศลตั้งแต่ ธรรมดาจนถึงสร้างการอย่างหนักเพราะมาจากความรักนี่เองเพราะฉะนั้นความรักนี่จึงเป็นสมุทัยก็ว่าด้ใครบ้างเล่าจะเห็นว่าความรักนี่เป็นโทษในโลกนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีอยู่ได้ทาคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นโลกทั้งหลายบำรุงแต่ความรักเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงเป็นไปด้วยเศร้าโศก แม้แต่เราเองก็ยังชอบบำรุงความรักส่งเสริมความรักแสวงหาแต่สิ่งที่ตนรักตนชอบอก็จกลับว่าเราแสวงหาความเศร้าโศกแสวงหาความทุกข์ความอะไรห่วงใหญ่ทั้งๆแต่เราไม่ต้องการทุกข์แต่ความไม่ฉลาดไม่ได้ศึกษาอบรมอันถูกต้องในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้เอง เราจรึงไม่สามารถกำจัดเมหะตัวความหลงเป็นอกุศนจิตอันนี้ได้จึงถูกความโลภความโกรธครอบงนำจิตใจของเราชักนำจิตใจของเราให้เดินนอกลู่นอกทางอาริยมรรคใน ร, รมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะทำให้บริบูรณ์ไปด้วยสิ้น ไม่สามารถทำให้บริบูรณ์ด้วยสมาธิไม่สามารถจะทำให้บริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยปัญญาเพ้นได้เมื่อ ส, ส, สิ่ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์สมาธิมันไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ปัญญาไม่สมบูรณ์บริบูรณ์นะไม่มีทางที่จะสามารถข จ, จัดภัยที่เกิดขึ้นอาศัยความโศกและความรับในสิ่งที่เรารับ เมื่อเรารักอยู่ความรักอยู่ที่ไหนความยึดถืออยู่ที่นั่นเมื่อความยึดถือเรียกว่าอุปทานนางอมปทานนปัจจยาท่าวงแล้วก็ไร้สิ่งพบทั้งหลายก็ปรากฏขึ้นเพราะความยึดความหน่วงมวยชาติบังเกิดขึ้นนะมันเกิดเมืม่อพบดีแล้วก็มีชาติคือความเกิดความแก่ ความเจ็บความตายโศกปริเทวะความเศร้าใจความรำไรรำพันขับแค้นใจแน่ใจทุกใจก็ย่อมบังเกิดขึ้นเพราะมาจากความรักเมื่อความรักนีแล้วมันปกปิดครอบนามไม่ให้เราเห็นหนทางอย่างอื่นจึงความรักนี้จะเป็นมูลให้เกิดอวิชชาได้ เมื่ออวิชชามีแล้วก็เป็นปัจจัยแ่ความไม่รู้เป็นเหตุเกิดสังขารวิญญาณ น, นามารปสลายอายตนะหกพัสสะหกเวทนาหกสัญญาหกสังขารแลร่แตก <c oughs> วิญญาณ <c oughs> ทั้งหลายก็ย่อมเกิดขึ้น นามาวบสลายแต่ะพัสาเวทนาร้อยแปดก็เกิดขึ้นสัญญาเวทนาจนะัรหาอุปทานก็เกิดขึ้นตามัะดับเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายผู้นับถือประพุทธศาสนาไม่องค์สมเด็จพระศาสด า, ศ า, ศ า, ศาเป็นส ะ, นะที่พึ่งของเราเราไม่ควร ให้ทวกเหล่าน e ี้มาครอบงำยํำยีจิตใจของเราเมื่อเราครอบในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็ควรสอดส่องเอาธรรมคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงรู้เห็นเป็นพระอรหันต์มาแล้วมาดำเนินเจริญประพฤติการอบรมและปฏิบัติของเรา ให้เกิดความรูความเข้าใจในธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงแล้วให้ถูกต้องแล้วปฏิบัติอบรมอบรมสร้างสมอินบม่มอินสีของเราให้แก่กล้าก็สามารถที่จะรู้ทางมาแห่งทุกแห่งไทยทั้งหลายแล้วจะได้ข้จับสิ่งเดล่านั้นไม่ให้ครอบงำจิตใจของเราได้เราก็สามารถ ที่จะมีช่องทางที่จะหลุดพ้นจากสิ่งนั้นครอบงำจะนำจิตใจของเราให้มั่นคงยึดมั่นในธรรมไม่หวั่นไหวต่อมรณะภัยใดๆทั้งสิ้นเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็นดอตจดจำไว้ให้ดีนำไปประพฤตปฏิบัติอบรม ทำได้ยังให้ถูก่างดังกล่าวมันนี้ก็จะได้ประสบพบเพ็มความสุขความเจริญดังบรรยายมาจากไม่ไปภาวนาต่อ